พระรัฐบาลเข้าไปพักอาศัยณพระราชอุทยานชื่อวิคาจีระของพระเจ้ากัวรับพยะเวลาเช้าได้ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทเที่ยวบินทบาทในถุลกฏทิตนิคมตามลำดับตรอกได้เข้าไปยังนิเวศของบิดาขณะนั้นท่านบิดากำลังให้ช่างกลระบกสางผมอยู่ที่ซุ้มประตูกลางได้เห็นพระรัฐบาลกาลังเดินมาแต่ไกลจาไม่ได้จึงเปรยขึ้นกับช่างกลระบบว่า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 เห็นอาการของลูกเช่นนั้นก็มีน้ำตาหนองหน้ากล่าวว่าพ่อรัฐบาลคนอย่างพ่อโขนหรือที่มานั่งกินขนมโบตร์เรือนของท่านก็มีมารดาบิดายังมีชีวิตอยู่ฉไหนจึงประพฤติเหมือนคนห่างเหินไม่รู้จักกันพระรัฐบาลเงยหน้าขึ้นหน่อยหนึ่งมองดูขหบดีผู้บิดาและขหปันนีผู้มารดาแล้วกล่าวว่าอัตมภาพ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 ถึงม่านไว้โดยรอบเรียกหญิงอดีตพัญญาของพระรัฐบาลทุกคนมาแนะนําว่าเมื<_ <EN> _่อสมัยที่รัฐบาลบุตรของเราครองเรือนชอบเครื่องประดับชุดใดของเจ้าเจ้าจงประดับชุดนั้นในวันพรุ่งนี้หญิงเหล่านั้นรับคํำของบิดาอย่างง่ายดายทุกคนได้เตรียมเครื่องแต่งตัวและพัตราภรณ์ที่เห็นว่าดีที่สุดเพื่อล่อตาล่อใจพระรัฐบาลนางหารู้ไม่ว่า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 ด้วยราชานุภาพอันยิ่งใหญ่สเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพระราชยานไปจนสุดทางเท่าที่พระราชพานะจะไปได้แล้วลงจากพระราชยานสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยข้าราชบริพารชั้นสูงเข้าไปหาพระรัฐบาลทรงปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วประทับยืนหน้าที่อันสมควรแก่พระองค์อารัธนาให้พระรัฐบาลนั่งบนเครื่องราชที่เจ้าพนักนานตกแต่งไว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 ข้าพเจ้าไม่เห็นความวิบัติแม้ประการเดียวในท่านเหตุไฉนท่านจึงออกบวชประพุทธโภมจันทร์พระรัฐบาลถวายพระพรว่ามหาบพิษพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมมุตเถสไว้สีประการซึ่งอาตมภาพได้ฟังแล้วได้รู้เห็นแล้วจึงออกบวชประพุทธโภมจันทร์ธรรมุตเทศสี่ประการนั้นคือหนึ่งโลกอยู่ภายใต้การครอบงำของชราก้าวเข้าไปสู่ชรา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 เมือน้ำในแอ่งน้อยถูกแสงอาทิตย์แผดเผาย่อมพันเหือดแห้งไปราวป่าเงียบสงัดรึกษชาติยืนต้นนิ่งเสมือนหนึ่งจงใจสดับธรรมของพระเถระผู้เลิศทางออกบวชด้วยศรัทธาขณะนั้นใบไม้เหลืองใบหนึ่งลนลงบึ้งหน้าของผู้สนทนาทั้งสอง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 ในชนบทนั้นมีสตรีปกครองพระองค์อาจรบชนะได้ด้วยกําลังพนประมาณเท่านี้เท่านี้มหาบพิษทรงทราบแล้วจะทําอย่างไรก็ไปเจ้าคิดว่าจะไปรบให้ชนะแล้วครอบครองชนบทนั้นๆนี่แหละมหาบพิษสัตว์โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่อิ่มไม่เบื่อเป็นาธาตุของตันหาดูก่อนราชนมนุษย์ทั้งหลายพากันสแสวงหาสิ่งที่ยังไม่มี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 แสงแดดอ่อนลงมากแล้วบริเวณราชอุทธยานร่มรื่นมากขึ้นอย่างความรื่นรมให้เกิดแก่กายและจิตของชีวิตทั้งปวงที่อาศัยอยู่ณราชอุทธยานนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าโกรพยะสงสมนั์เป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรงสดับธรรมุเทศอันเป็นสัจธรรมที่อำนวยประโยชน์แก่ผู้เพ่งธรรมมิใช่น้อยพระรัฐบาลอาศัยราชอุทยานมิคาจีระตามสมควรแล้ว